อันนี้เป็นกิจวัตรที่สำคัญนะของที่นี่เพราะว่าเป็นโอกาสที่พวกเราที่อยู่ในวัดจะได้มาร่วมกันพบกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็ทำกิจวัตรหรือกิจกรรมร่วมกันวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็มีกิจวัตรที่ทาร่วมกันทั้งชุมชน ทั้งภาคารวัตแม่ชีก็สองครั้งหรือ2 อ, อย่างก็คือเวลาทําวัดศพเหมือนกับเวลาทานอาหารหรือฉันอาหารนะพวกเราเดี๋ยวนี้ก็มีกันเยอะแล้วก็อยู่กระจ า, กกะจายกันมีการปฏิบัตนะิเป็นส่วนตัวบ้างเป็นกลุ่มบ้างแต่ว่าการที่มาทําอะไรร่วมกันในวันหนึ่งวันหนึ่งนะก็มี นี่แหละนะช่วงทำวัดสดมนเช้าแล้วก็เย็นอันนี้ก็มีมีส่วนในการทำให้ความเป็นชุมชนความเป็นสังคมมันแน่นแฟ้นมากขึ้นอันนี้สองอีกส่วนก็เป็นอันนี้สงของส่วนตัวก็คือเราได้มีโอกาสนะน้อมจิตและลึกถึงสิ่งที่ดีงามก็เป็นการปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้น แกใจของเราทำให้ใจเรามีพลังในการทำความดีโดยมีสิ่งดีงามเป็นที่ยึดเหนี่ยวหรือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนของชีวิตก็ต้องเติมพลังส่วนนี้ทุกวันทุกวันนะจะได้มีกําลังในการทวนกระแส ก, กิเลสทวนกระแสโลกนะที่เป็นไปในทางที่กระตุ้นให้เกิดความโลภความอยากและนำไปสู่ความทุกข์อีกส่วนหนึ่งก็เป็นการ เป็นโอกาสในการที่เราจะได้เจริญสมาธิเจริญสติให้ใจสงบนะพอใจสงบก็เป็นสมาธิแต่ถ้าใจเราตื่นด้วยก็คือว่ามีสติอยู่กับปัจจุบันอันนี้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ลองสังเกตุไหมเวลาใจเราเผลอขณะที่สวดมนต์ ใจเราลอยไปโน่ปนปปนี่แล้วก็รู้ตัวขึ้นมาพ่าใจกลับมาอยู่การสวดมนต์อันนั้นก็เรียกว่าเป็นการปลูกสติเป็นการสร้างสตินะก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะซึ่งประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับเราเองด้วยนอกเหนือจากเกิดกับส่วนรวมหรือเกิดกับชุมชนในฐานะที่เราได้มาทำกิจวัตรร่วมกันให้เรื่องการทำใจให้เป็นกุศลจากการสวดมนต์นี่ก็สาคัญนะ เพราะว่าในการที่เราจะทำกิจการงานต่างๆนะถ้าใจาเราเป็นกุศลนะก็มีกําลังในการที่จะทำสิ่งนั้นให้รุ่งวงไปได้ด้วยดีหรือแม้แต่ในเวลาที่เราประสบความทุกข์ก็อาศัยกุศลที่เราบำเพ็ญ น, นี่แหละนะช่วยบรรเทาความทุกข์ในจิตใจได้ เพราะว่าความสุขหรือความทุกข์นะถึงที่สุดแล้วก็อยู่ที่ใจอย่างที่เราสวดเมื่อกี้นี้เนี่ยทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จได้ที่ใจอันนี้มีความหมายกว้างมากหมายความว่าเราจะทําแล้วก็ตามเนี่ยก็ต้องอาศัยใจเป็นหลักนะแม้แต่การเรียนหนังสือหรือการทำมาหากินหรือการาทํางานต่างๆก็ต้องอาศัยใจเป็นจุดเริ่มต้น แล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนรวมทั้งเวลาเราเจออุปสรรคเจอความทุกข์ในชีวิตนะนก็ต้องอยู่ก็ต้องอาศัยใจนี่แหละในการก้าวข้ามอุปสรรคนี้ได้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยแม้บางอย่างปัญหามันยังไม่ได้แก้ความทุกข์ก็ยังมีอยู่แต่ว่าใจก็ไม่ทุกข์ก็มีนะคือไม่ใช่ว่าต้องรอให้ปัญหาแก้ก่อนถึงจะหายทุกข์ บางทีปัญหายังไม่ทันยังแก้ไม่ได้แต่ใจเราก็ไม่ทุกข์แล้วเพราะว่าเรายอมรับสิ่งนั้นได้เช่นความเจ็บความป่วยนะพวกเราหลายคนก็เป็นหมอเป็นพยาบาลหรือมีมมอาชีพหรือกำลังจะมีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาความเจ็บป่วยบรรเทาความทุกข์เรียกว่าทุกขเวทนาสิ่งนี้เนี่ยมันก็ แยกไม่ออกจากเรื่องจิตใจด้วยนะเพราะว่าถ้าหากว่าใจเรามีความทุกข์แล้วเนี่ยมันก็คลอยทําให้ความทุกข์ทางกายเนี่ยเพิ่มพูนมากขึ้นากายกับใจนี่มันแยกกันไม่ออกและที่จริงแล้วเนี่ยเรียกว่าใจเนี่ยมันเป็นตัวตัวสำคัญเลยก็ได้นะที่ทําให้ใจเนี่ยสามารถเป็นทุกข์ได้หรือว่าเกิดความเจ็บป่วยได้ เดี๋ยวนี้เราคงจะทราบดีแล้วว่าคนจำนวนไม่น้อยนะไม่ใช่เฉพาะนนในเมืองไทยหรือว่าทั้งโลกก็ได้ความเจ็บป่วยจ ำ, จำนวนมากก็เกิดขึ้นมาจากจิตใจอย่างน้อยๆคือความเครียดนะมีผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้ที่เป็นเรียกว่านักวิชาการที่มีชื่อเสียงนะ เขาเป็นาศาสตราจารย์ของฮาวเวิร์ดนะตัวเทอเมริกาก็ถึงกับฟันธงว่าประมาณ 90% นะของความเจ็บป่วยเนี่ยมักจะเชื่อมโยงกับเรื่องความเครียดนะซึ่งก็เป็นเรื่องของจิตใจนะอันนี้เราก็พิจารณาดูกันแล้วกันนะว่าสาวไปสาวมานี่มันก็โยงมาถึงเรื่องความเครียดอยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคแม้กระทั่งโรคติดเชื้อก็มีความเกี่ยวข้องกับ ความเครียดเหมือนกันยาใบสั่งยาที่โรงพยาบาลต่างๆสั่งนะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบรรเทาความเครียดหรือเรื่องของการดูแลหรือระงับความเครียดก็ไม่น้อยนะอันนี้มันเป็นเรื่องสําสำคัญมากพวกเราที่ทาเรื่องอดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ย ก็ให้ตระหนักว่าสุขภาพกายเนี่ยกับสุขภาพใจมันแยกกันไม่ออกนะบางคนเนี่ยบางคนไม่มีอาการทางกายมาไม่มีความผิดปกติทางกายนะแต่ว่าหาหาหาหาความผิดปกติทางกายไม่พบนะแต่ว่าป่วยนะเช่น มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นปวดหัวปวดท้องเป็นประจำนะความดันขึ้นแต่พอพยายามหาว่ามันมีความผิดปกติทางกายหรือเปล่าหาไม่เจอนะ <c oughs> เข้าๆ <c oughs> ออกโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งหรือไปหาหมออยู่หลายครั้ง <c oughs> ก็ไม่รู้ว่เป็นอะไรจนกระทั่งหมอนี่ก็ถอดใจแล้ว แล้ววันหนึ่งหมอก็เกิดได้ฉุกคิดขึ้นมาก็เลยให้คนไข้เนี่ยเล่าประวัติของตัวเองพอเขาเล่าประวัติของเขาเนี่ยเาเป็นคนเด็กเขาเป็นเด็กกำพร้ากพร้าพ่อกาพร้าแม่มีพี่สาวพอพูดถึงพี่สาวนี่ก็มีอาการขึ้ น, นททีคือเขามีความโกรธเขามีความน้อยเนื้อต่ำใจพี่สาวหมอก็เลยแนะนำว่า มีวิธีหนึ่งที่จะช่วยคุณได้นะคือว่าให้อภัยพี่สาวคือเขาน้อเนื้อต่าใจแล้โกรธพี่สาวที่ไม่ค่อยดูแลใจใสเขานะก็คงมีมูลเหตุมากมายหลายอย่างที่ทำให้เกิดความโกรธความเนื้อเนื้อต่าใจแต่สุดท้ายหมอก็บอกว่าแนะนำให้คนไข้ให้อภัยพี่สาวคนไข้ไม่พอใจนะเพราะ ห, หมอแทนที่จะให้ยา นะแทนที่จะรักษาโรคกลับมาแนะนําให้เขาให้อภัยมันเป็นหน้าที่ของหมอที่จะต้องรักษาเขาไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องให้อภัยพี่สาวเขาก็หายไปเลยจละรับปีหนึ่งต่อมาหมอก็ได้จดหมายจากคนไข้คนนี้บอกว่าตอนนี้เขาหายแล้วอาการที่เป็นเนี่ยปวดท้องปวดหัวความดันเพราะว่าทําตามที่หมอแนะนำํำนะยาที่ บรรเทาโรคภัยไข้เจ็บของเขาคือการให้อภัยนะแล้วที่เขาป่วยก็เพราะความโกรธนะอันนี้เนี่ยมันเรื่องของใจเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับเรื่องของกายมากนะสุขภาพใจสัมพันธ์กับสุขภาพกายถ้าใจเนี่ยไม่สุขภาพใจไม่ดีคือใจป่วยจะป่วยด้วยความโกรธเพราะความเครียดแค้นหรืออะไรก็แล้วแต่หรือความโลภนะความเครียดมันก็ทําให้ ร่างกายเนี่ยแย่นะบางทีไม่มีอาการผิดปกติทางกายแต่ว่าก็ป่วยได้นะอ่านทะีนี้เราไปเข้าใจว่าป่วยเนี่ยต้องมีความความผิดปกติทางกายแต่มันก็ไม่จำเป็นหรือว่าอาจจะมีความผิดปกติทางกายแต่ว่าถ้าใจนี่แย่มันก็ทำซ้ำเติมให้อาการทางกายหนักขึ้นเมื่อตอนกลางวันก็ได้เล่าให้ทางคณะโยมญาติโยมจากขอนแก่น ว่าเคยมีกรณีหนึ่งอันนี้ถ้าอาจารย์ประเวทท่านเคยเล่าฟังว่ามีคนไข้นะเป็นผู้ชายก็ไม่ได้แก่อะไรมากนะก็เรียกวัยกลางคนตัวซีดไม่มีแรงไม่มีแรงแม้แตจะเดินต้องนอนเปลมาให้คุณหมอรักษาคุณหมอท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านด้านเลือดนะอยู่ที่สิริราชสมัยก่อนท่านก็ ดูอาการแล้วก็สักถามคนไข้สักพักก็หันไปคุยกับหมอหมอนะที่เป็นรีิเดนตนะ์บอกว่าคนไข้คนนี้ไม่เป็นอะไรนะตรวจซื่เพราะว่ามีปิยาปากคอเดี๋ยวให้กินเหล็กก็จะดีวันดีคืนเหล็กคือธาตุเหล็กกันนะพูดจบก็หันไปมองไปที่คนไข้เพราะว่าคนไข้นี้ลุกขึ้นมาได้เลยแล้วก็บอกว่าหมอถ้ามันหายง่า ย, ยานี่ผมก็ไม่ต้องใช้เปลนี่แล้วล่ะ ลากแล้เข็นเปไปคือเรี้ยวแรงกลับมาเลยทันทีที่รถตัวเองนี่ไม่เป็นอะไรนะก็แค่เป็นพยาธิปกักคอแต่ทําไมเป็นพยาธปากคอถึงไม่มีแรงนะไม่มีแรงแม้กระทั่งมาหาหมอต้องนอนเปลนะอันนี้มน่าสนใจก็เพราใจนั่นแหละนะใจมีความวิตกกังวลนะพอใจมีความวิตกกังวลเข้านะว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่า เป็นโรคร้ายหรือเปล่าแค่เนี้ยมันก็ทําให้กายนี้สุดเลยนั่นใจนี่สำคัญมากนะอย่าไปคิดว่าคนเราป่วยเนี้ยมันเป็นเรื่องความป่วยทางกายล้วนๆมันเป็นเรื่องความผิดปกติทางกายล้วนๆแนที่จริงมันมีเรื่องมันหรือมันมีองค์ประกอบทางด้านจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเลยอาจจะเป็นบางส่วนหรือเป็นเป็นทั้งหมดของความเจ็บป่วยก็ได้อย่างกรณีคนผู้หญิงที่เขาป่วยด้วยโรคความดันโรคปวดท้อง ทั้งที่ไม่มีอะไรนอกจากเป็นเพราะความกนะโกรธเรื้อรังไอ้โกรธเรื้อรังนี่ก็ทําให้ป่วยเรื้อรังได้นั้นใจสําสคัญในทางตรงข้ามถ้าใจดีนะไอ้ความทุกข์มันก็เบาบางลงนะความเจ็บป่วยก็เบาบาเเบ า, บ า, บ, าบางลงได้แม้กระทั่งความปวดนะความปวดนี่มันก็บรรเทาได้นะคนไข้ที่เขาได้รับยาจากหมอ ด้วยความเข้าใจว่านี่เป็นยาระงับปวดพอเขากินไปความปวดก็หายทุเลาลงทั้งๆ ท, ที่ยาที่เขาได้รับไปเนี่ยมันไม่ใช่ยาด้วยซ้ำนะอาจจะเป็นแค่แป้งนะหรือแม้กระทั่งคนติดมอร์ฟีนนะเคยมีการทดลองคนติดมอร์ฟีนแล้วก็หมอให้มอร์ฟีนมากเกินกว่า น, นั้นไม่ได้นะหมอให้ไม่ได้แล้วเพราะมันเกินมันเกินโดสนะอันตรายต่อคนไข้ คนไข้ก็ร้องขอขอยาละงับปวดจะละงับปวดนะก็เลยมีหมอคนนึงเนี่ยตัดสินใจไปเอาเอ า, เอายาไปให้หมอเพื่อนหมอด้ยวยกันก็ตําหนิว่าให้เขาไปได้ยังไงนะเพราะว่ามันเต็มที่แล้วแล้วพอให้นะปรากฏว่าคนไข้นี่ก็สงบเลยนะตอนหลังหมอคนนั้นก็เลยมาบอกว่าไอ้ที่ให้นี่ไม่ใช่หมอฟรีหรอกนะ มันก็แค่พวกน้ำเกลือธรรมดานั่นแหละนะแต่คนไข้เนี่ยพอเค้ยวข้อจามาเป็นมอร์ฟินรับเข้าไปเขาก็สบายเลยนะและปรากฏว่ามันก็มีผลต่อกายจริงๆนะไอยาที่ไอไอน้ำเกลือที่ให้เข้าไปเนี่ยด้วยความเข้อจาเป็นมอร์ฟินเนี่ยมันก็ทำให้เขาก็สงบลงได้นะอันนี้เรกความเชื่อนะความเชื่ อ, นะอหรือศรัทธา เราถ้ามีศรัทธาหรือมีความเชื่อในอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเป็นศรัทธาหรือความเชื่อในทางบวกเนี่ยมันก็มีผลนะเเคยมีการทดลองเอ า, เอาคนไข้เอาอาสาสมัครมา2กลุ่มนะแล้วทุกคนเนี่ยใน2กลุ่มเนี่ยก็จะได้รับการเอเอฟฟที่ข้อมือจีแล้วเป็นไงนมันก็เจ็บสิ เจ็บก็ให้ทุกคนเนี่ยให้คะแนนความเจ็บว่าเท่าไหร่บางคนก็6บางคนก็7นะเสร็จแล้วก็คราวนี้หมอก็ให้ยาแล้วนะกลุ่มแรกนี่ให้ยาราคา2องเหรเป็นยาระงับปวดกลุ่มที่2นี่ก็บอกว่ายาราคา10เซนเสร็จแล้วก็ให้นะก็ให้กินยานั้นหรือทานี่ก็จําไม่ได้แล้วเสร็จแล้วก็ช็อตใหม่นะ ไอ้กลุ่มแรกที่ได้ยา2เรียญหนี่บอกว่า80บเปอร์เซ็นบอกความปวด ล, ลดลงเยอะเลยไอ้กลุ่มที่ได้ยาราคา10เซน<อ>ก็มีแค่60เปอร์เซ็นที่บอกว่าความปวดลดลงนะเปอร์เซ็นต์มันต่างกันเยอะนะแล้วก็ความจริงก็คือว่าสิ่งที่ให้ไปทั้ง2กลุ่มนั้นเนี่ยก็คือสิ่งเดียวกันนะเพียงแค่บอกว่าราคาต่างกันก็มีผลต่อความรู้สึกของ คนไข้หรืออาสาสมัครเราที่สำคัญคือว่านั้นไม่ใช่ยานะนะมันก็คือแป้งธรรมดานะแต่คนไข้เนี่ยหรืออาสาสมัครเนี่ยพอเขารู้ว่ามันเป็นหรือเขาเขามีความเชื่อเป็นยาเขา้านะมันก็ความปวดก็บันเทาเลยนั่นความปวดนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องทางกายรวนๆนะมันเป็นเรื่องของจิตใจมันเป็นเรื่องอัตวิสัยด้วยนะก็เรียกว่า subjective นะคือเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องของศรัทธา ถ้าเรามีศรัทธาในในยาที่ให้โดยพ่อถ้าเป็นยาแผงก็จะมีศรัทธามากนะมันก็จะมีผลต่อการระ ง, งับความปวดได้ระ ง, งับความความระ ง, งับทุกขเวทนาไดนะ้เพราะฉะนั้นในเรื่องของใจนี่สำคัญนะที่จริงแล้วเนี่ยมันมีวิธีการมากมายทางใจเพื่อที่จะช่วยทำให้ความปวดความทุกข์มันทุเลาเบาบางไดนะ้ไม่ใช่แค่ความทุกข์ใจ อย่างเดียวนะแม้กระทั่งความปวดนะปวดกายเนี่ยก็สามารถจะทุเลาบรรเทาได้ด้วยวิธีการทางจิตนะวิธีการทางจิตหรือมิติทางจิตใจอย่างเช่นเมื่อกี้ก็ได้พูดเรื่องศรัทธานะถ้าเรามีศรัทธาแล้วเนี่ยนะศรัทธาในยาศรัทธาในหมอบางทีไมยจะไม่ทันจะรักษาเลยก็ดีขึ้นแล้วมีมีม มีหมอคนหนึ่งนะอันนี้แกก็เป็นหมอที่เป็นผู้ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ของหมหาวิทยาลัยจอห์น o p อบกินซึ่งดังมากนะชื่อวิลเลียมเ l ลชพ่อแกก็เป็นหมอแกบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นหมอที่มีมีชื่อมากแล้วก็สามารถที่จะรักษาคนไข้ได้มากมายแล้วคนที่เป็นลูกนีก็บอกว่าทุกครั้งเวลาพ่อเนี่ย เข้ามาในเข้ามาในวอร์ดเนี่ยเพียงแค่คนไข้ได้เห็นพ่อมาเ น, น่คนไข้ก็รู้สึกดีขึ้นเลยนะเพราะหมอคนนี้เนี่ยเป็นหมอที่มีเมตตาเป็นหมอที่มี เ, เรียกว่าน้ำใจมีความเมื่อฟือเผื่อแผ่แล้วก็มีความเอาใจใส่คนไข้แล้วก็คงจะมีความสามารถด้วยในการรักษาเพียงแค่คนไข้เห็นหมอแค่นั้นแหละคนไข้ก็รู้สึกดีขึ้นเลย เนะี่ย น, นี่มันเรื่องของศรัทธานี่สําคัญมากนะศรัทธาในยาศรัทธาในหมอนะก็ช่วยให้อาการทุเราหรือว่าความเจ็บปวดเบาบางลงได้นอกจากศรัทธาแล้วเนี่ยก็มีอีกตัวนี้สําคัญนะพวกเราจะเคยได้ยินก็คือเขาก็คือสมาธิสมาธิเนี่ยก็คือการที่จิตเนี่ยจดจ่อแน่วแน่อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสงบนะ ที่จริงคนเราก็ใช้สมาธิหรือว่าอาศัยสมาธิในการบรรเทาความเจ็บความปวดอยู่อาจจะโดยไม่รู้ตัวอย่างเช่นเวลาวัยรุ่นเนี่ยเล่นไพ่บางทีเล่นไพ่ข้ามข้ามวันข้ามคืนเลยนะแต่ไม่รู้สึกเมื่อยเลยนะแต่พอเล่นไพ่เสร็จเนี่ยความเมื่อยมาทันที บางคนนี่เล่นไพ่ทั้งคืนไม่เมื่อยนะแต่ว่าฟังพระฟังพระเทศฟังพระบัญญาย15นาทีก็เมื่อยละถ้ามันต่างก็ตรงไหนนะมันต่างตรงที่ว่าพอเวลาเล่นไพ่เนี่ยสมาธิหรือใจจดจ่ออยู่ที่ไพนะ่ก็เลยลืมปวดไปนะแต่ว่าถ้าเราจะมีสมาธิเนี่ยไม่ไม่ต้องไ ม, ไม่ต้องมีสมาธิกับไพ่ก็ได้มีสมาธิกับลมหายใจก็ช่วยได้เหมือนกัน คุณหมอม า, ามลาเมลิาเคยเล่าว่าเคยมีอาจารย์แพทย์ท่านหนึ่งเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วก็ลุกลามไปถึงกระดูกปวดมากเลยอายุก็แค่สี่สิบกว่าปวดจกนกระทั่งว่าไม่สามารถที่จะนอนได้ต้องนั่งแล้วก็นั่งแล้วนั่งก็ยังทุรนทุรายตอนที่คุณหมอมาลาไปเยี่ยมเนี่ยคนอาจารย์แพทย์ท่านนี้เนี่ยตัวซีดหน้าซีดมีเหงื่อเม็ดโตโตออกมาปวดมาก ยาละงับปวดนี่เอาไม่อยู่คุณหมออามราก็เลยแนะนำให้ทำสมาธิก็คือตามลมหายใจหายใจเข้าบริกรรมไปด้วยว่าพุทหายใจออกโทหายใจเข้เขาพุทหายใจออกโทคุณหมออามราก็คิดว่าคุณหมอท่านนี้คงจะทำได้ไม่เกินหานาทีเพราะไม่เคยไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเรียกว่าใหม่ใหม่สิ่งๆ น, นกับการทำสมาธิ บอกว่าคุณหมอท่านนี้ทำได้ถึงห0สิบนาทีและบอกว่าพอทำเสร็จระหว่างที่ทำยิ่งทำเนี่ยก็ยิ่งนั่งหลังตรงนะยิ่งสงบทำไปได้ห้าสิบนาทีพอออกจากสมาธินี่หน้าตานะแฉมใสผิวพรรณมีน้ามีนวลปากเป็นสีชมพูเงื่อนี่หายไปเลยสงบมากความปวดหายไปเลยหรือทุเลาไป คุณหมอเวลาก็แปลกใจทําได้ยังไงนะพาะไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนแต่ทําไมทําได้ต้อง50นาทีแล้วก็ปวดด้วยนะแต่ว่าทําจนหายปวดก็ได้ความว่าคุณหมอท่านนะี้มีสมาธิกับงานเวลาทาอะไรใจมีสมาธิกับงานมากนะเวลาสอนก็มีสมาธิกับการสอนไอสมาธิกับงานเนี่ยเอามาใช้กับการตามลมหายใจก็กลายเป็นดีไปได้นะอันนี้เราสมาธิเนี่ยมันมั น, ม, นมันมีส่วนช่วยในการ บรรเทาความปวดได้เหมือนกันแล้วก็ชงนัดด้วยนะแล้ะสมาธิมันทําได้หลายอย่างนะสมาธิกับการผ่อนคลายนะเคยมีหมอที่เป็นเพื่อนเล่าให้ฟังคนไข้เป็นมะเร็งโรค ก, กระสับกระสายมากให้ยาแล้วงับปวดไปเต็มที่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหมอว่าแกให้ไป140มิลลิกรัมคนไข้ก็ยังกระสับกระสาย ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเพลินมีประสบการณ์เรื่องการทำสมาธิแบบง่ายๆก็เลยชวนคนไข้เนี่ยทำสมาธิแบบเรียกว่าเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า total relaxation ก็คือว่าเปิดเพลงแล้วก็ให้เขาผ่อนคลายทีละส่วนทีละส่ว น, วนตั้งแต่หัวค่อยๆคลายใบหน้าผ่อนคลายผ่อนคลายที่ต้นคอหน้าอก คลายช่องท้องค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะโดยหมอเนี่ยแกก็พูดนำไปเรื่อยๆนำไปทีละส่วนทีละส่วนช้าๆทำไปได้20นาทีเนี่ยนคนไข้รู้สึกดีขึ้นไม่ต้องใช้ยาทำอย่างนี้ไปสามครั้งตอนหลังก็ให้ญาติทำให้ปรากฏว่าการใช้ยาเนี่ยลดลงไปเยอะเลยนะเหลือแค่60สบก็อยู่ละ ก่อนนั้นร้อย่ยังเอาไม่อยู่เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้สมาธินะทางทางการแพทย์เขาก็อธิบายว่ามันเวลามีสมาธิแล้วเนี่ยมันก็จะมีสารหลั่งออกมาเพื่อช่วยระ ง, งับปวดแอนโดฟินบ้างโดพามีนบ้งอะไรนะมันมีเยอะนะที่จะช่วยทาให้ความเจ็บปวดทุดเรานอกจากสมาธิแล้วก็สตินี่ก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะ อันนี้คุณหมอมาลาก็เล่าเหมือนกันว่ามีคนไข้คนหนึ่งก็เป็นมะเร็งอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ปวดมากปวดนี่จนกระทั่งเรียกว่าแทบจะดิ้นเลยแต่ว่าสักพักเนี่ยก็ได้สติคือคิดมาได้ว่าตัวเองเนี่ยเคยปฏิบัติธรรมมาแล้วก็เคยฝึกสติมาก่อนก็ตั้งสติอันนี้ภาษาของคุณหมอท่านนี้นะคนไข้คนนี้นะก็บอกว่าสตินี่ดึงจิตมาไว้ที่หัวไหล่แล้วก็มาดูความปวดดูกายที่ปวด นะจิตมันเห็นกายที่ปวดนะแต่ว่าจิตเนี่ยไม่ไ ม, ไม่เข้าไปไม่เข้าไปอยู่กับกายสติดึงจิตมาอยู่ที่หัวไหล่ดูกายที่ปวดเนี่ยก็เห็นแต่กายที่ปวดแต่ใจเนี่ยไม่ปวดด้วยใจก็สงบได้เป็นปกติแต่พอหมดพอเพลิสติเมื่อไหร่ใจก็ไปรวมกับกายหรือไปยึดเอาความปวดของกายพอไปยึดเข้าเาก็ปวดทันทีเลยนะ ต้องรีบถอนลองอมาถอนจิตออกมาถอนจิตมาจากความปวดนะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เรียกว่าสตินะก็คือว่าคือดูหรือรู้ความปวดโดยที่ไม่เข้าไปเป็นผู้ปวดอย่างที่หลวงพ่อคำเพียรใช้คำว่าเห็นไม่ใช่ผู้เป็นคือเห็นความปวดแต่ไม่ใช่ผู้ปวดหรือไม่ใช่เป็นผู้ปวดนะอันนี้ไม่เหมือนสมาธิสมาธิเนี่ยปวดปวดตรงขา ก็มาอยู่ที่ลมเอาใจมีที่ลมหายใจนะปวดที่ท้องเอาจิตมีอยู่ที่ลมหายใจนะมันก็มันก็มันก็ลืมความปวดไปได้หรือว่าเบงความสนใจของจิตมาอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะก็ทําให้อ่าความปวดไม่รบกวนแต่ว่าสตินี้ก็คือเป็นการเห็นไม่ได้หนีจากความปวดนะแต่ว่ารู้ ว่าความปวดเกิดขึ้นเห็นความปวดโดยที่ไม่เป็นผู้ปวดอันนี้อาจจะยากสักหน่อยนะแต่ว่ามันก็ใช้ได้ผลเหมือนกันเาฉะนั้นศรัทธาก็ดีสมาธิก็ดีสติก็ดีเป็นเรื่องของใจทั้งนั้นนะแล้วเราถ้าเราถ้าเรากจักใช้ธรรมะสามตัวนี้นะหรือว่าคุณภาพจิตสามประเภทนี้เนี่ยมันก็จะช่วยในการลดทอนะความความเจ็บความปวยได้มันยังมีอีกหลายวิธีนะเช่น การคิดอะไรในทางที่ดีนะการคิดอะไรในทางที่ดีในทางที่เป็นกุศลนะโดยเพราะาสิ่งที่เรานับถือศรัทธาถ้าเราน้อมจิตไปนึกถึงสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ช่วยลดความปวดไปได้ถ้ามีพยาบาลคนหนึ่งรล่าใหฟังนะเคยไปดูแลคุณยายคนหนึ่งแกปวดท้องมากเลย ปวดท้องจงครางพยาบาลก็ไปคุยกับคนคุณยายคนนี้แต่แทนที่จะถามเรื่องอาการความปวดถามว่าปวดกี่คะแนนพยาบาลถามว่ายายชีวิตนี้ที่ผ่านมาเนี่ยทำแล้วแล้วมีความสุขมากที่สุดนะคุณยายก็ไม่เคยมีใครถามอย่างนี้นะพยาบาลก็หมอไม่เคยถามแต่พอถามงี้เนี่ ย, ยคุณยายแกก็อยากตอบขึ้นมาเลย แกก็บอกว่าเนี่ยก็ตอนไปหล่อพระเนี่ยมีความสุขมากเลยพยาบาลก็เลยชวนคุณยายคุยเรื่องนี้ว่าหล่อพระวันนั้นเนี่ยที่ไปหล่อพระเนี่ยใส่เสื้อสีอะไรนุ่งผ้าสีอะไรนะไปกับใครเสร็จแล้วก็ชวนยายเนี่ยไปย้อนระลึกถึงเหตุการณ์ที่เคยไปหล่อพระพาไปพาไปลอยอีกครั้งหนึ่งนะ คุณยายแกก็ใจก็น้อมตามนะพอหล่อพระเสร็จออกมาจากจินตนาการคุณยายก็บอกเอ๊ะแปลกนะหมอทําไมมันหายปวดเลยละ่ะนะหายปวดไปเลยนะเพราะว่าพอคิดถึงเรื่องที่หล่อพระเรื่องที่มีความสุขแล้วใจก็สบายพอใจสบายแล้วเนี่ยนะมันก็อย่างว่านะก็มีศารอะไรหลังมาทําให้ใจสงบหรือว่าพอ เรื่องพุทธิจใจก็เป็นสมาธิพอเป็นสมาธิแล้วมันก็ความปวดก็ทุเลาอันนี้เรว่านึกในทางที่ดีนึกในสิ่งที่ดี น, น, ดนึกในสิ่งที่เป็นกุศลบางทีไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องพระเรื่องเจ้าก็ได้เป็นเรื่องความดีที่เคยทำนะอันนี้ก็มีคนไล่ฟังเหมือนกันนะมาเป็นเป็นคุณปู่เนี่ยแกแกเป็นมะเร็งลําไส้ ตอนหลังเนี่ยในสองช่วงสองสเดือนสุดท้ายเนี่ยแกปวดมากต้องพาเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ตอนอยู่โรงพยาบาลก็การเดียวยา ก, ก, ก็ก็ทำให้แกทรมารเหมือนกันออกมาจากโรงพยาบาลเสร็จไม่ทันไรก็เข้าไปอีกแล้วปวดแต่ว่าเดือนสุดท้ายเนี่ยก็บังเอิญมีหลานชายนะคงจะคงพิ่งเรียนจบนะแกะจบเภสัช แกก็เลยไปเฝ้าไข้ทั้งเดือนเลยแล้วเวลาแกไปเฝ้าไข้เนี่ยแกก็ชวนปู่คุยถามเรื่องชีวิตแอนดีดนะปู่ก็บอกว่าเล่าถึงชีวิตสมัยเป็นทหารไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งทนะี่1น่ะไทยเราเคยไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่1กับพันธมิตรนะที่ยุโรปนะแล้วก็กลับมาก็รับราชการด้วยความซื่อ ส, สัตย์สุจริตสร้างเนื้อสร้างตัวมีครอบครัว เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาจนโตแก่เล่าแล้วแกก็ภูมิใจตอนหลังก็เลยคุยเรื่องเรื่องธรรมะเรื่องการปล่อยวางแต่ แ, แกก็ทําใจได้แกก็เลยเรียกลูกหลานมาสั่งเสียแล้วแกก็จากไปเพราะว่าตอนที่แกจากไปนี่แกก็ยิ้มเนหะมือนนอนเหมือนก็เหมือนนอนหลับไปไอ้ที่น่าแปลกคือว่าตลอดทั้งเดือนเดือนสุดท้ายนี่แกไม่เคยปวดถึงเข้าโรงพยาบาลเลย เออทำไมความปวดมันหายเป็นไหนหรือความปวดทําไมมันทุเลาลงก็คงเพราะว่าแกได้คุยได้พูดได้ลําลึกถึงเรื่องราวในอดีตที่แกภาคภูมิใจและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันมันเป็นโอสถนะมันเป็นโอสถมันเป็นยาที่ระ ง, งับปวดได้เราอย่าไปคิดว่ายาระ ง, งับปวดนี่มันเป็นแคปซูลเป็นเม็ดหรือเป็นน้ำนะแต่ว่ามันอาศัยใจก็ได้นะใจที่นึกถึงสิ่งที่ดี หรือว่ามองแง่ดีก็ได้นะนึกถึงสิ่งที่ดีกับมองแง่ดีมองแง่บวกนี่มันไม่เหมือนกันนะคล้ายๆกันแต่ว่ามันต่างกันนิดหน่อยเมื่อตอนกางวนันก็เล่าให้ทางญาติโยมขอนแก่นเหมือนกันว่าอาตมาเคยอบรมนะเรื่องประชิญความตายอย่างสงบเสร็จแล้วว่าสุดท้ายก็ให้ให้อาสาให้คนที่เที่วร่วมเนี่ยไปเป็นจิตอาสาเป็นอาสาสมัครไปเยี่ยมคนไข้หนักก็มีพี่หญิงคนหนึ่งก็ไป ไปเจอคนไข้ซึ่งเป็นเด็กอายุสิบสี่ผมแกล่วงหมดเลยแกโดนฉายแสงถามว่าเป็นอะไรบอกเป็นมะเร็งสมองแต่ว่าคนไข้คนนี้เนี่ยแกพูดคุยนะกับอาสาสมัครเนี่ยกับจิตอาสาเนี่ยเหมือนคนปกติเลยนะพูดคุยโอภาปาศดีหน้าตาแจา่มใส แล้วก็ยังมีอารมณ์วาดลูกนะชวนอาจิตอาสาวาดลูกด้วยก็แปลกใจในจิตอาสาก็แปลกใจทําไมคนเป็นมะเร็งสมองทําไมถึงไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลคุยไปคุยมาเด็กคนนี้ก็บอกว่าหนูโชคดีนะโชคดียังไงอ่ะว่าโชคดีที่ไม่เป็นมะเร็งมดลูกนะญาติคนนึงเคยเป็นปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองนะออืืม คิดแบบนี้นี่ปรากฏว่ามันช่วยเด็กคนนี้ได้มากเนะี่ยนี่คือกุญแจคือคําตอบว่าทําไมเด็กคนนี้เขาเขายิ้มแย้มได้ถ้าหน้าที่เขาเป็นโรคร้ายนะแล้วคนคนธรรมดานี่แค่แค่เป็นหวัดนะเป็นหวัดหรือว่าเป็นโรคกระพาอนี่ก็กระสับกระส่ายแล้วกลุ๊บหมวกกุ้มใจแล้วอันนี้พราะคิดไม่เป็นนะแต่ว่าเด็กคนนี้แ ก, แกมองในเชิงบวกนะคือมองว่า ถึงแม้ฉันเป็นมะเร็งสมองก็ยังดีกว่านะเป็นมะเร็งมดลูกเวลาเราเป็นอะไรเนี่ยถ้าเราลองนึกว่าเออดีนะที่เราไม่ไม่ไม่ไม่เป็นโรคที่ร้ายกว่านี้ไม่เป็นโรค ท, นะที่แย่กว่านี้เราก็จะรู้สึกดีขึ้นแต่ถ้าเราเอาแต่ตีโพยตีภายทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้ใจเราแย่ลงและใจที่แย่มันก็ไปซ้ำเติมกายให้หนักขึ้น ความปวดกายมีมีแค่หนึ่งแต่ว่าความปวดใจมันเพิ่มเป็น2เป็น3คูณ2คูณ3แต่ถ้าใจเราวางไว้ถูกวางไว้ดีนะความทุกข์มันก็ลดลงหาร2หาร3ได้นาะอาจารมาเขพูดถึงเรื่องของศรัทธาพูดเรื่องสมาธิพูดเรงสติพูดเรื่องการการนึกในสิ่งที่ดีเป็นกุศลการมองแง่บวกแล้วเนี่ย อีกอันนึงที่ช่วยมากนะก็คือการนึกถึงคนอื่นนะให้การนึกถึงคนอื่นนี่มันแปลกนะเวลาเรานึกถึงคนอื่นนี่มันช่วยทําให้ความทุกข์ของเราเล็กลงได้อัตมาประทับใจคนหนึ่งนะหมอที่นครปฐมเล่าให้ฟังแกชื่อน้องโยนะอายุเจขวบเป็นผู้ชายวันนึงเนี่ยป้าก็ชวนน้องโยเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์ขึ้น เข้าไปที่ตัวเมืองตัวจังหวัดปรากฏว่าเจออุบัติเหตุโดนรถชนรถมอเตอร์ไซค์ก็พังป้านี่ขาแขนหักส่วนน้องโยนี่ขาเละไปข้างหนึง่งก็รีบพาสงา่งโรงพยาบาลทุกความผินั้นทีแต่ว่าตลอด ต, ตลอดตลอ ด, ตลอดเวลาเนี่ยป้านี่ร้องโอดโอยแต่น้องโยนี่ไม่ร้องเลยจนถึงห้องผ่าตัด หมอผ่าตัด ห, หมอผ่าตัดเสร็จหมอก็เลยถามน้องโยทำไมไม่ไม่ร้องเลยน้องโยบอกผมกลัวป้าเสียใจครับกลัวป้าเสียใจยงไงอ่ะคือป้าเนี่ยก็คงเสียใจอยู่แล้วที่พาน้องโยมารับเคราะห์นะป้ายัางก็ปวดกายอยู่แล้วยังปวดใจด้วยที่ทําให้หลานเนี่ยมาเดือดร้อนแล้วถ้าหลานเนี่อร้องครวญครางเนี่ยมันป้าเนี่คงหัวใจสลายและน้องโยเนี่ยกลัว หรือว่าเป็นห่วงป้าไม่อยากให้ป้าทุกข์มากกว่านี้ก็เลยนะอดกลั้นความปวดไว้ได้นั่งคงไม่ใช่ง่ายนะที่คนเราจะอดกลั้นความปวดแต่ว่าพอนึกถึงนึกถึงป้าเนี่ยความปวดของน้องโยเนี่ยความรู้สึกของน้องโยนี่ก็สั้นความเปวงตัวนี่มันเล็กกว่ามันเล็กลงนะความทุกข์ของป้านี่ใหญ่กว่าอันนี้เวลาเรานึกถึงคนอื่นเนี่ยมันมันช่วยทําให้ความทุกข์มันเล็กลงไปได้เยอะเลย มีกรณีหนึ่งซึ่งอันนี้ก็าบาทหลวงซึ่งเป็นซึ่งเป็นเป็นเพื่อธรรมมาเล่าให้ฟังบาทหลวงท่านนี้ก็เคยไปเยี่ยมลูกศิษย์นะอายุสิบเจ็ดนี่ยเป็นแกเป็นโรคพุ่มพวงนะแล้วก็อาการหนักจะผ่าก็ผ่าไม่ได้ข้างในนี่แย่นะเธอก็ถูกทรมานมากพอบาทหลวงท่านนี้ พอเด็กคนนี้ เ, นเจอหน้าบาทหลวงเนี่ยก็ตัดพ่อขึ้นมาว่าทำไมพระเจ้าทำให้หนูเป็นอย่างนี้นะคือเธอเจอเป็นคริสนะบาดหลวงก็บอกว่าพ่อไม่รู้หรอกนะแต่ว่าอยากจะให้อยากจะแนะนำอย่างนี้นคือว่าอยากให้หนูเนี่ยนะสวดมนต์ถึงพระเจ้าแล้วก็สวดมนต์ให้กับคนไข้ที่อยู่ในในวอร์ดเดียวกันด้วยนะ ให้เขาได้หายจากความทุกข์หายจากโรคภัยไข้เจ็บวันรุ่งขึ้นคุณพ่อก็เอารูปพระคำมาให้แล้วหลังจากนั้นก็ไปเยี่ยมเธออีกก็รู้สึกว่าวันต่ อ, ต อ, ตอมาเธอก็สีหน้าดีขึ้นเธอบอกว่าได้ทําตามที่คุณพ่อแนะนําส่วนมนต์ถึงพระเจา้าแล้วก็ส่วนมนต์ให้กับคนที่เจ็บป่วยร่วมห้องหลังจากนั้นไม่นายคุณพ่อก็ต้องไปธุระที่อีสาน ไปเป็นเดือนเลยนะสมัยก่อนสมัยนะั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยเร ต, ติดต่อกันไม่ได้พอเสร็จธุระกลับมากรุงเทพไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเธอเสียชีวิตแล้วแต่คุณพ่อบอกแปลกใจมากว่าคนไข้คนป่วยเนี่ยในในวอร์ดนั้นเนี่ยต่างถามถึงเด็กผู้หญิงคนนี้ว่าเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นยังไงเขามีความเป็นมาอย่างไงเพราะเขาประทับใจมากคนไข้เรา ว, ว่า เธอเนี่ยแม้จะป่วยหนักเธอก็ยังลงมาเยี่ยมลงมาเยี่ยมคนไข้ด้วยกันพาให้กำลังใจบางทีก็ตักน้ำอะไรให้แล้วก็พาเข้าห้องน้ำนะคนไข้บางคนอาการคงจะเบากว่าเธอด้วยซ้ำนะแต่ว่าเธอเนี่ยนะไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้สนใจเป็นห่วงตัวเองเลย นะคิดแต่คิดแต่จะช่วยเหลือคนอื่นก็บอ<า>กว่าคนไข้บอกว่าตอนที่เธอตายเนี่ยเธอตายสงบมากภาพที่คนไข้เล่าให้คุณพ่อฟังเนี่ยมันตรงข้ามกับวันแรกที่คุณพ่อได้เห็นวันแรกนี่ทุรนทุรายตัดพาะมีความทุกข์แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะกลับเข้มแข็งนะแล้วก็ เ, อเือเกือนเกลูนเือแล้วก็ไปอย่างสงบอันนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะก็คําตอบส่วนเนื้อคือว่าเพราะว่าเธอเนี่ยนึกถึงคนอื่นนะใจที่มีเมตตาถึงคนอื่นใจที่ระลึกถึงคนอื่นไอการนึกถึงคนอื่นมันทําให้ความทุกข์ของเราเป็นเรื่องเล็กลงคนเราเนี่ยถ้าเรานึกถึงตัวเองมากเท่าไหร่เนี่ยความทุกข์ของเราจะเป็นเรื่องใหญ่นะ เพียงแค่ปวดฟันเรากรา็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วใหญ่กว่าคนที่เป็นมะเร็งซะอีกนะทนคนที่คิดแต่ตัวเองนะแค่ปวดฟันนี่ก็ถือเป็นเรื่องใจโตนะใหญ่กว่าคนที่เป็นมะเร็งแต่คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะถ้าเขาคิดถึงคนอื่นเนี่ยก็นะจะรู้สึกเป็นเรื่องเล็กก็ไดนะ้อันนี้เป็นเรื่องใจนะเป็นเรื่องใจที่สามารถจะช่วยบรรเทาความทุกข์ความปวดได้ นะพวกเราซึ่งเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขนะทำงานหรือกำลังจะทำงานเรื่องความเจ็บความป่วยของผู้คนก็อยากจะให้เราลึกถึงความสำคัญของจิตใจด้วยว่าให้ความป่วยเนี่ยคนเราเวลาป่วยเนี่ยไม่ค่อยไม่ได้มีแค่ป่วยกายหรอกป่วยใจด้วยจะต้องมีความป่วยกายป่วยใจตามคู่กันมาเสมอ แต่ถ้าเราทําให้ความป่วยใจลดลงเดียวยาความป่วยใจนะด้วยวิธีการอย่างที่ตมาพูดนะเช่นการมีศรัทธาการมีสมาธิการมี ส, ม ส, ส, มมสติการนึกถึงคนอื่นหรือว่านึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลหรือว่านึกถึงมองอะไรในแง่บวกนะมันก็จะช่วยทําให้ความป่วยกายเนะี่ยทุเลาเบาบางลงได้ฮนะส่วนพวกเราที่เป็นคนไข้ก็เหมือนกันนะ ก, ก็ลองใช้นะ ลองใช้จิตใจของเรานี่แหละนะเป็นยาอาศัยธรรมะเป็นโอสดนะในการรักษาในการบรรเทาอาการของเรานะป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจนี่ทำได้นะหลายคนก็บอกว่าโชคดีที่เป็นมะเรนะ็งเพราะว่ามะเร็งทำให้เขาได้พบอะไรดีๆหลายอย่างในชีวิตได้นะ แล้วคนเราถ้าเราสามารถที่จะมองเห็นข้อดีของโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีต่อความเจ็บป่วยรู้สึกดีในที่นี้หมายควว่าไม่ไม่รังเกียจไม่ผักสายยอมรับมันได้มีนักศึกษาคนเราอายุยี่สิบ็นะเขเป็นมะเร็งเม็ดเลือด น, นะก็ตอนที่เป็นใหม่ๆก็ทุกข์มากแต่ตอนหลังก็ก็ยิ้มรับกับมันได้ เขาบอกว่าเหตุผลก็เพราะว่ามะเล็งเนี่ยมันนำนำพาสิ่งดีๆไมาให้แกช่วยองเขาหลายอย่างอย่างแรกคือมันทำให้เขาเนี่ยได้เห็นความรักได้ทราบซึ้งถึงความรักของพ่อแม่ว่าพ่อแม่รักเขาแค่ไหนแต่ก่อนไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเพราะว่าต่างคนต่างอยู่พ่อแม่ไปทำงานลูกก็เรียนหนังสือลูกหออยู่หอพักด้วย ไม่ค่อยได้เรียกว่าห่งาหงเหินกันไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันแต่พอลูก ป, ป่วยแม่ก็พ่อก็มาดูแลลูกก็ทราบซึ้งความรักของพ่อแม่นี่อย่างความดีสิ่งดีข้อที่หนึ่งอันที่2คือทำให้เขาสัตว์เกิดความเข้าใจในพุทธศาสนาคือพอป่วยแล้วก็หันมาอ่านหนังสือธรรมะก็รู้ว่าโอ้พุทธศาสนานดียังไงบ้างแต่ก่อนไม่เข้าใจนึกว่าเป็นเรื่องของพิธีกรรม ก็เกิดความทราบซึ้งในพุทธศาสนาข้อที่สมันทำาบอกเบอกมันทําททให้ชีวิตเขาเนี่ยระมัดระวังแล้วก็อยู่อย่างไม่ประมาทแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประม า, ามทกขาบอกถ้าก็ไม่เป็นมะเร็งเนี่ยก็คงจะเหมือนคนทั่วไปนะเหมือนนักศึกษาทั่วไปนอนหอบพักตื่นตื่นบ่ายสามไม่รู้ตื่นบ่ายสามได้ยังไงนะคงคงเล่น Facebook จนถึงเช้านะแล้วก็ตอน ใบสเสร็จก็ไปเรียนเลี้ยงสือส่อเสร็จก็ไปเที่ยวห้างกับเพื่อนกลับมาก็ดึกนะสังสรรค์กันเป็นชีวิตที่ไม่ไม่สนใจอะไรเลยอยู่แบบล่องลอยแต่พอเป็นมะเร็คนี่มันทําให้เกิดความไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างอย่างใส่ใจมากขึ้นนั่นถะ้ามองแบบนี้มันทําให้เราเนะี่ยยอมรับกับความเจ็บป่วยได้ไม่ลังเกียจไม่ผัสสาไม่ผัก ส, ย ม, กสยมัน สามารถจะอยู่กับมันได้อย่างสงบอย่างสันติรักษาก็รักษาไปนะแต่ว่าถ้ายัางรักษาไม่หายก็ไม่บ่นไม่โวยวายเพราะว่าเห็นมันมีประโยชน์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ควรระลึกนึกถึงเอาไว้บ้างนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วนะเรื่องความเจ็บป่วยนี่ถ้าเราป่วยแต่กายแต่ใจไม่ป่วยเนี่ย มันช่วยกายได้เยอะเลยกายจะดีขึ้นมากนะแต่ถ้าใจป่วยด้วยแล้วเนี่ยมันก็จะไปฉุดกายให้สุดหนักลงกว่าเดิมนะหรือบางทีไม่มีอาการทางกายไม่มีความผิดปกติทางกายใจที่แย่ก็ทำให้ความเจ็บป่วยหนักขึ้นก็ได้อ่แล้วก็ฝากไว้ท่นนี้นะกระพราพร้อมกัน